ใหมเป็นปัจจุบันนิดหนึ่งก็คนดบรบางตาลงส่วนหนึ่งก็ตั้งใจไปทมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตั้งใจว่าจะกลับอีกวันสองวันแต่ว่าพอลงมือปฏิบัติแล้วก็สังเกต ด, ดู mm hmm. ก็กลับไปแล้วนะคือนุ่นแจ่กใกล้บ้านพักหลังดีๆ แต่ก็อยู่ไม่ได้คนใหม่หลายคนที่ลองฐานปฏิบัตินะก็ยังทำไม่ถูกยังทำไม่ถูกส่วนแพร่ก็ดีที่วันนี้ก็เห็นจาวัาชยัยพาทำรรอยู่ที่กุดบางส่วน พยายามนะคระใหม่สร้างสิ่งแวดล้อมให้ได้ในว่าการปฏิวัตินะ เ, เรานั่งสร้างจังหวัดสิบสี่จังหวัดตั้งแต่เริ่มก็จบเนี่เป็นจังหวัดที่เหมือนกันถ้าจะนับตัวก็เป็นสิบห้าจังหวัดกันเคลื่อนกันหยุดกันเคลื่อนกันหยุดเรียกว่ารูปแบบเราเรียกว่ากุศโลบาย กุตโลบายคืออุบายที่มัน <Yes. S 2> เป็นกุศลมันมีที่มาที่ไปพอสมควรเป็นความลุ่มลึกแล้วก็ประณีตละเอียดอ่อนใหม่ๆเราจะังไม่ค <Yes. S 2> <fang> ่อยรู้เข้าใจว่ามันคืออะไรก็ให้ทำไปก่อนเถอะการเดินจงกลมนี่ หลายคนวันนี้เดินแล้วก็ปล่อยมือแว่งไม่จับกันไว้ปล่อยเดินเป็นอิสระอันนี้ถือว่าเริ่มต้นทาไม่ถูกต้องตามเทคนิคการปฏิบัติธรรมเราไปได้เก่งครัดในรูปแบบแต่ว่าการเดินเคลื่อนส่วนที่ชา้าที่สุดก็คื อ, คอ การเคลื่อนไหวของการเดินนะเดินรู้สึกตัวตรงไหนมันรู้สึกชัดเท้ากรนะทบอะรู้สึกชัดการสั่นสะเทือนเคลื่อนเกล้งคลายมันก็จะสัมผัสได้เอียดรองลงมามการวางหน้าวางตาเราสังเกตเอามันไม่ใช่ภาษานะแต่เป็นอาการ วางหน้าวางตาอย่างไงแล้วมันรู้สึกเป็นธรรมชาติธรรมดาถ้ามันไม่วางหน้าวางตาเป็นธา ร, รมชาติธรรมดามจะเพ่งจ้องแล้วก็ทําไม่ได้ทนะทําไม่ได้นานคือมันจะเมื่อยหน้าเมื่อยตาแล้วก็จะรู้สึกถึงเหมือนถูกบังคับเวลาปฏิบัติมันก็ตัวเองบังคับตัวเองแล้วก็เหนื่อยใจนบางคนก็ยัง มีอา <si suppression> ่านหนัง <guarding> ส <okay>? ืออยู่อ่านหนังสือทิฏฐานก็ถือว่าจริงๆแล้วเราอ่านที่ไหนก็ได้หนังสือที่บ้านก็ได้ที่ร้านหนังสือก็ได้ที่ห้องสมุดก็ได้หรือว่าอินเทอร์เน็ตก็ได้เข้าได้หมดอ่านได้หมดแต่มาที่นี่ควรอ่านกายอ่านใจ กายเคลื่อนไหวอ่านตรงๆลงไปเลยมันคืออะไรจิตเหมือนกันไอ้ที่เรียกว่าจิตจิตจิตจิตมันคืออะไรอาการของมันอาการของจิตมันคืออะไรมันต้องถอดรลหัดให้มันเป็นภาษาธรรมธรรมะมันไม่ใช่ภาษาหนังสือคำว่าวตำราตำมันมีคาว่าตานะตาไปดูก็มันก็ตำ ลาคือที่มันเลอะๆดำๆเป็นจอมๆกับหนังสือนั่นแหละที่มันมีตัวเขียนตัวอะไรเป็นตัวหมึกดำหมึกสีอะไรก็ตามอมันเชื้อลาแล้วล่ะตำลาตาเราตําก้าไปดูก็ไปก็เห็นแต่ปรากฏว่า ค, คนมันเคยเรียนเคยรู้มามันก็ดีความหมาย สมองก็แปลความหมายก็ไก่ก็อไก่ลักศัพที่มาที่ไปทัางๆอ่านกายอ่านใจเลยมันตรงไปตรงมามาจะเห็นของจริงการเดินกลับไปกลับมาก็สังเกตนะซ้ายทีหนึง่งขวาทีนึงอย่าเดินไปเดินมาบนบนบนบนบนบนเหมือนกับม้วนเทปสมัยโบราณ ไปทางเดียวกันหมดหมุนตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกามันต้องตามทีหนึ่งแล้วก็ทวนทีหนึ่งตามทีหนึ่งแล้วก็ทวนทีหนึ่งไปด้านโ น, นะะ้นเราตามเข็มนาฬิกากลับมาด้านนี้ก็ทวนเข็มนาฬิกาไปด้านโน้นตามเข็มนาฬิกาด้านนี้ก็ทวนเข็มนาฬิกากลับไปกลับมาก็สังเกตเอาจะรู้สึกมันธรรมดาธรรมดาเดินมันเดินเล่น <c oughs> ยอยู่ในสวนสาธารณะ เดินทษน่องมันก็จะมีความมงา่งเหว่งเหว่ยงนอนในเรื่องธรรมดามากนั่นแหะบทเรียนบทที่หนึ่งเปิดอ่านดูคืออะไรกันแน่ความม่่งจะไม่ใช้ตอนไหนจะหยิบ ม, มาใช้ตอนไหนไม่ใช้ตอนไหนจะใช้ตอนไหนเตมกันก็คือความเบือ่อความเหงาว้าเว่ แลื่ความคิดการโปรูงการแต่งที่มันเอียดลงไปเกิดขึ้นมาเราก็รู้สึกตัวเพราะว่เรารู้สึกอยู่ฐานกายอยู่แล้วจับตรงนี้ไนดะ้ตรงไหนเนาะติมสัมผัสแล้วรู้สึกแล้วมันพอดีพอดีมันมีสิ่งแวดล้อมีองค์ประกอบมีส่วนประกอบที่ให้เราได้สังเกตเป็นปัจจุบันเหมือนกัน ผลปิยาค้างเคียงแต่ละครั้งแต่ละขณะแต่ละเวลาแต่ละวินาทีเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าระวางกายวางใจยังไงมันผ่อนคลายจริงหรือเปล่าคิดเอาเลยว่ามันกําลังแสดงอาการให้เราปรากฏสัมผัสตรงๆลงไปเราก็สัมผัสตรงๆอ่ะนะมันเก็มมันเกร็งขณะเดินอย่างเง้ยเนาะเราก็คลายออกเดี๋ยวนี้ก็ตาม ตรงไหนมันดูตอนหัวจะหลดุดตาถ้านั่งตรงไหนมันกดทับจะรู้สึกไม่สบายแล้วก็ผ่อนกายบรรเทาแก้ไขเรล่องของร่างกายเราเต้องทำให้เป็นมันก็จะค่อยพัฒนาไปเห็นความคิดก่อนเห็นจะรู้เท่ารู้ทันก่อนวับเรารู้สึกลละ่ะถึงไม่รู้สึกไม่เป็นไรเรารู้ว่ากีกลับมากันแล้วกัน มันไม่ชัดเจนคำว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวคือสีนสมาธิปัญญานั่นแหละรู้สึกตัวนั่นคือตัวสตินั่นแหละตัวกายการเคลื่อนกันไหวที่กายขณะที่สัมผัสมันก็สึกขณะที่มันรู้มันก็เป็นเรื่องของ ตัวสติที่มันลึกแล้วก็รู้สึกก็คือตรงไหนที่มันสึกถ้ากายเคลื่อนไหวมันก็สึกกระทบสัมผัสก็รู้อยู่จิตมันเคลื่อนไหวมันกระทบสัมผัสมันก็รู้อยู่มันก็สึกรู้สึกจะตัวไหนก็ตัวกายเวลาจิตทำก็คือตัวกายตัวใจนั่นแหละให้สังเกตมันรู้สึกรู้สึกรู้สึกมันก็เลยถ้ากดจริจริงก็รู้สึกกันแหละง่วงก็รู้สึกนั่นแหละ เวลามันโลม ก, ก็รู้สึกนั่น Vegan. แหละเวลามันหลง ก, ก็คือรู้สึกนั่นแหละอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นมาเป็นภพเป็นภูมิในจิตมันก็รู้สึกนั่นแหละพราเดิมทีเราก็รู้สึกโยฐานกายอย่างหยาบสติมันก็ว่องไวก็จำนานมันรู้ไม่ยากนะจริงๆเราทำชั่วโมงสองชั่วโมงวันสองวันสังเกตดี่มๆก็รู้แล้วล่ะแต่บางทีเราง่วงไม่อยากง่วง อย่างสังเกตเหมือนกันกลุ่มคนที่คืนกุญแจกลับไปย่างตั้งใจจะกลับพวงนี้แต่วันนี้รีบกลับนะก็สังเกตดูปฏิบัติไม่ได้อารมณ์ปฏิบัติไม่ได้อารมณ์เพราะไม่ได้มาคุมมาคอยให้อารมณ์ปฏิบัติแต่ก็สังเกตปฏิบัติไม่ได้คุยกันบ้างหรือว่าโทรศัพท์บ้างเล่นโทรศัพท์บ้างเห็นอยู่ก็เป็นเรื่องของ ความตั้งใจ αι, ที่ตั้งใจจะมาตั้งสัจจะจะมาฐานจิตจะมาปฏิบัติกี่วันกี่วันท้ายสุดก็ล้มเหลววันนี้ก็เวลาจึางบอกว่าโอ้ถ้ามันตั้งสัจจะที่ทานไว้แล้วทำไม่ได้ก็จะหวังนะครั้งหน้ามันจะง่ายมันก็ยิ่งยากลงไปยากลงไปยากลงไปเพราะชอบทําอะไรตามอารมณ์ตามใจตามกิเลส เราก็จึงเนี่ยฝึกความรู้สึกตัวกันแต่ว่าหลายคนก็เห็นว่าเป็นคนเก่าก็คือมาหลายครัง้งหลายคนก็เดินจงกรมได้ดีเธอก็จะยังเงียบๆเดินได้เรื่อยๆเสมอต้นเสมอปลายมีความสมเสมอการวางหน้าวางตาวางกายวางใจก็ผ่อนคลายมันก็ดูออกมีความเป็นปกติมันก็เห็นอยู่ ประเภทนี้ก็จะได้อารมณ์ปฏิบัติก็คือรู้สึกมีความพอใจกับการกระทำมีความสุขกับการกระทำกรรมฐานหรือว่ามีความเป็นปกติกับการปฏิบัติมันจะรื่นเริงล้วจิตใจปราโมทย์มีความตื่นตัวกายตื่นใจตื่นสติรู้กายกายก็ตื่นสติไปรู้จิตใจรู้เท่ารู้ทันจิตก็ตื่น ยิ่งรู้ยิ่งตื่นยิ่งความง่วงเนี่ยแต่เห็นปั๊บนะมันตื่นทันทีเลยหลุดเลยใหม่ๆเหมือนจะกลุ้มๆทางไหนไม่รู้แต่พอเราเคลื่อนมือไปเรื่อยๆมันหลุดมันผ่านความงว่วงโลง่งมันจะรู้สึกแจ่มใสขึ้นมาเลยหน้ามือกับหลังมือทันทีเราก็สังเกตเราก็จับจุดอ่อนะ ของการเดินทางกรรมฐานได้จุดอ่อนตรงไหนที่ทำให้เคลื่อนมือไม่ได้จุดอ่อนร่องรอยตรงไหนที่ทำให้มันเดินจงกลมไม่ได้มีจุดอ่อนอยู่เราตั้งใจจะเคลื่อนมือรู้สึกตัวอย่างอารมณ์อื่นๆโดวยว่าความคิดนตัวดีมันจะชวนเผลอชวนหลงชวนปรุงชวนแต่ง เราก็รู้เท่ารู้ทันทันทีทันใดที่มันเกิดอารมณ์อะไรกันมาซ้อน ซ, อนซอน้ขึ้นมานอกจากความรู้สึกที่เราลอ ง, ลงปฏิบัติกรรมฐานอยู่ mm hmm. จะรู้แล้วรู้อีกำำำจำจำชัดเจนแล้วเกิน mm hmm. เป็นมืออาชีพไปเลยไม่ใช่มือสมัครเล่นแต่ mm hmm. นะันจึงไม่ใช่ใหม่หรือว่าเก่านะการเคลื่อนไม้เคลื่อนมือเดินยงคม ม, นะมันอยู่ที่ทาเป็นหรือเปล่า mm hmm. พอมันทําเป็นแล้วก็กจะดูน ความรู้สึกตัวที่เป็นเองก็ดูเป็นแล้วแหละบางทีมีเสียงมากระทบมีรูปมากระทบทางตา ม, มก็คือรูปนามทั้งหมดนั่นแหละนะมีกลิ่นมากระทบที่จมกูกนะมันก็เป็นรูปนามเหมือนกันเราก็สนุกสนานกับการปฏิบัติได้มาเห็นตัวเองมารู้จักตัวเองนะเห็นตัวชีวิตชีวาของเรา จนท้ายสุดกรู้เลยว่าทุกมันเกิดจากการคิดนะมันเกิดจากสมมติบัญญัติมันมีสมมติมันมีบัญญัติมันผลิตเก่งมากเลยนะเดี๋ยวคิดพอจบมันก็เริ่มใหม่อีกจนบางคนเรียกว่าฟุ้งซ่านอันนี้ก็เป็นแค่สภาวธรรมนะที่จำเป็นจะต้องเกิดกับนักปฏิบัติทุกคนเลย ก็เียว่นนิ้วัฒธรรมความฟุ้งซ่านอุทานจากกุกุ จ, จักความลังเลสงสัยวิจิกิจฉาม่มีภาษาของศ า, าสนาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่จริงๆก็คืออาการที่เราไม่ต้องรู้จักก็ได้ว่าภาษาคืออะไรมันเป็นอาการที่เราจะต้องทวนออกแบกออกมาสู่ความรู้เนื้อรู้ตัวกาย จากทางสติมันรู้เท่ารู้สถานาการณ์ต่างๆที่มันละเอียดลงไปละเอียดลงไปของมันอันนี้คือความเป็นเองที่เราก้มหน้าก้มตาหรือว่าเราเจียมเนื้อเจียมตัวไม่หันหน้าหรือว่าเปลี่ยนการดรําริหรือว่าทิฏฐิความเห็นเบื้องต้นเราไม่เปลี่ยนเมื่อเกินมือเราก็ต้องรู้ที่กายนี่แหละ สังเกตกายของเราเป็นยังไงธรรมชาติของกายเป็นยังไงใส่อย่างเดียวจนจิตเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาเกิดกําลังสมาธิขึ้นมาเป็นสัมมาสมาธิตั้งมัน่นกับการเคลื่อนการไหวมันจะได้อารมณ์ปฏิบัติตรงนี้แหละมันไม่มีปีติก็จะมีปีติออกมามันไม่มีความสงบก็จะมีความสงบออกมามัน ม, มีความเบากายเบาใจก็จะมีความเบากายเบาใจออกมาเป็นทุกคน เพียงแค่เราต้องเรียกว่าสร้างความต่อเนื่องสักหน่อยมีความอดทนเห็นจุดอ่อนและผ่านได้เรีว่าตัวอื่นๆเราไม่เชื่อสักตัวแหละนะมันเป็นของไม่จริงตัวอื่นเป็นของที่นะเกิดจากการปรุงการแต่งจริตนิสัยอุปนิสัยสันดานต่างๆเป็นตัวกิเลสเป็นตัวอุปกิเลสต่างๆ แสดงออกมาให้เราได้ดูเราก็ไม่ให้ค่าไม่สนใจไม่ใส่ใจเราก็ฝึกสติฐานกายจวได้คาตอบจอนกระั่งมันเฉลยได้ทุกโจทย์นะั่นแหละมันก็จึงเป็นเรื่องง่ายนะเรื่องง่ายเป็นบัด ถ, ถูกแล้วมันให้ผลง่ายๆรัดลลลลสั้นๆหลวงปู่เทียนจึงเรียกว่าสูตรสาเร็จอึดใจเดียวสู่การรู้แจ้ง หลวิเทเรียก เ, เลยสุดสำเร็จว ใ, ใ, ใจเดียวสู่การรู้แจ้งรู้สึกครั้งหนึ่งมันก็ไม่ได้เข้าไปในความคิดครั้งหนึ่งรู้สึก2ครั้งก็ไม่ได้เข้าไปในความคิด2ขณะจิตสองครั้งวันหนึ่งมีเป็นแสนขณะจิตเป็นล้านขณะจิตตะซอยแยกย่อยกันอาการเกิดดับเกิดด <_' S 1> ับเกิดดับต่อเนื่องเชื่อมโยงทียิบเลย แต่พอเราเห็นเรียกว่าจับได้คาหนังคาเขาสักครั้งหนึ่งทุกตัวก็เป็นเหมือนเหมือนกันนั่นแหละเราพลิกมือตั้งรู้สึกตัวยกขึ้นไปรู้สึกตัวเคลื่อนมาที่สะดือรู้สึกตัวจนรู้จักความเป็นปกติที่เกิดจากการเคลื่อนการไหวไกายมันมีความเป็นปกติอย่างไรเวลาสติมันเด่นมันรู้สึกตัวมันรู้สึกตัวอย่างไร เวลามาทำหน้าที่รู้เท่ารู้ทันความคิดมันมีปฏิญยาการอย่างไรเราก็จะได้ประสบการณ์ขึ้นไปเรื่อยๆเกิดพัฒนาการยิ่งๆขึ้นไปนจนหายสงสัยจนมีศรัทธาที่ไม่งอนเงีนโคนแคนเป็นศรัทธาความเชื่อสัมปยุตอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ได้วันไหวอะไร มันไม่ได้เกี่ยวกับใครแล้วเกี่ยวกับว่าตัวเราคือตัวศาสนาตัวเราทุกน้อยลงตัวเราก็มีความสุขมากขึ้นปกติมากขึ้นศาสนาก็จเจริญเคยกรอดมันก็ไม่กรอดเงยเรื่องที่ควรจะกรอดมันก็ไม่กรอดเนมันก็เปลี่ยนไปเห็นแล้วมันควรจะอยากได้งควรจะโลภมันก็ไม่ได้โลภแต่ว่ามันเป็นราบนะเป็นราบ สีนำสุขไม่สีนำปกต์ไม่สี น, ำ, สนำความเย็นไม่มเป็นลาบ mm. มันไม่ใช่ความโลภนี่แหละก็คืออาชีพพระแหละสิก mm. ขาและทาเครื่องเลี้ยงชีวิต mm. นะและ้วฝนมาตกหนาเม็ดแล้วอนุบ า, จ, าจะไม่คุยแข่งกับเสียงธรรมชาติให้เสียงฝนมรเทศให้พวกเราฟังกันต่อกันแล้วกันแล้วก็นั่งฟังจังหวะรู้สึกตัวกันไป แต่มันไม่หายสักประมาณอีกสัก20นาทีแล้วกราลับพระตามปกติ